บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจัยาการหรือบางครั้งทรงใช้คำว่าอิทธปัจจยตานั้นเป็นกฎธรรมชาติที่ครอบคลุมสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกเอาไว้ ไอ้ความประสงค์อะไรก็ตามเมื่อมาเหตุเกิดขึ้นแล้วก็จะทยอยกันไปในตัวเหตุนั่นเองที่จริงก็เป็นผลซึ่งเกิดมาจากเหตุที่เคียงหนึ่งปันเหตุทุกเหตุเขาก็มาจากผลแล้วก็ผลทุกผลมันก็มาจากเหตุในทางปฏิบัติก็คือกลับไปกลับมากันได้ คล้ายๆกับต้นพืชกับมเมล็ดพืชแต่เราจะมองจากจุดไหนถ้ามองจากต้นพืชต้นนั้นออกลูกมาก็ถือว่ามเมล็ดพืชนั้นเป็นผลมาจากต้นพืชต้นนั้นแต่ถ้ามองที่มาของต้นพืชแล้วก็สืบสาวไปหาเหตุก็เจอว่าต้นพืชนั้นที่จริงก็เป็นผลซึ่งเกิดมาจากมเมล็ดพืช ไปสาวถึงตัวมเมล็ดพืชอีกทีหนึง่งก็ต้องเป็นผลซึ่งเกิดมาจากต้นพืชต้นอื่นอีกทีหนึง่งก็ถ้าย่อยกันไปอย่างนี้คือกลับไปกลับมาได้ตลอดเพราะการศึกษาธรรมะในสายของเหตุผลต่างๆนั้นโลยการปฏิบัติจริงๆแล้วก็ส่งสอนให้ศึกษาถึงเหตุที่มาของผลซึ่งเราชอบก็เราไม่ชอบ ก็มีอยู่เพียงสองประการแต่นั่นเองอะไรเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็ทรงสอนให้ตัเดเหตุและอย่างน้อยก็ลดเหตุของความทุกข์ล่านั้นเพื่อผลก็คือความสุขได้เพิ่มขึ้นความทุกข์ได้ลดลงอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขเราก็สร้างเหตุเหล่านั้นเพื่อความสุขเพิ่มขึ้นความทุกข์ลดลงเช่นเดียวกัน าการปฏิบัติในกลุ่มของการละ ก, กิเดสก็ดีในกลุ่มของการเจริญธรรมะ ก, กด็ดีในเชิงผลก็คือความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้นทั้งสองประการโดยมีจุดหมายสูงสุดอยู่ที่เอาการันตะบรมสุขคือความสุขโดยส่วนเดียวแต่นั่นก็เป็นเป้าหมายระยะไกล ซึ่งจะต้องอาศัยเงื่อนไขวาสนาบารมีองค์ประกอบต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเป็นนั้นมากปัจจัยสำคัญในการประพฤติปฏิบัติก็คือดับเหตุแห่งทุกข์ในขณะนั้นๆให้เกิดความสุขขึ้นในขณะนั้นๆเมื่อจิตใจของบุคคลได้รับสัมผัสผลทั้งสองดันคือผลของความทุกข์สัมผัสมาแล้วผลของความสุขก็ได้สัมผัสมาแล้ว มันจะรู้สึกพอใจกับไม่พอใจในตัวความทุกข์และจะพอใจในตัวความสุขก็จะสืบสาวไปถึงสาเหตุแล้วก็ไปเพิ่มพูขนขึ้นที่ต้นทิศเพื่อต้นได้เกิดความสุขในโอกาสต่อไปกระบวนการเหล่านี้จึงเป็นกระบวนการแบบธรรมชาติธรรมดาซึ่งมีทุกเรื่องไม่ ว, ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามตํานองคล้ายๆกับเราได้ รับประทานอาหารที่อร่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็สืบถึงที่มาเมื่อไปได้ที่มาแล้วยังพอใจติดใจยอยู่ก็สืบถึงตัวเหตุที่ให้เกิดอาหารชนิดนั้นขึ้นมาคือถามสูตรของการประกอบอาหารแล้วก็นําไปประกอบรับประทานเองนั้นแสดงว่าผลเป็นตัวกระตุน้นให้สืบสาวก็ไปหาเหตุแต่วันที่เหตุนั่นเอง เมื่อาบางกลับไปที่ผลก็เห็นว่าเป็นที่น่าใครนะ่ำปรารถนาน้าพอใจปริเร่งสร้างเหตุขึ้นแม้ในโครงสร้างอริสัตเองก็เป็นกระบวนการของเหตุผลในตัวปฏิจจสมบัติเองก็เป็นเหตุผลอย่างที่ทยอยกันเป็นลูกคลื่นนั้นก็เป็นสายหนึ่งจิตวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารังขา ร, ป ร, ปรเป็นปัจจัยเกิดปัญญาณก็คือทยอยมาที่จริงก็กลับได้อีก สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารคล้ายๆกับผลไม้กับต้นไม้ที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนตอน้นในกลุ่มของปัจจัยการทั้ง12ข้อนั้นที่จริงกิเลสมีอยู่เพียงสาข้อแต่นั้นเองคือวิชาตัณหาห อ, อุปาทานอาวิชชานั้นถือว่าเป็นรากง่าเป็นโคตรของกิเลส ซึ่งสะสมอยู่ในจิตสันดานของคนในช่วงนี้ที่จริงจะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้แต่ท่านต้องการจะเรียกไปที่ต้นมันจริงๆเลยก็เรียกชื่อว่ากิเลสเรียกชื่อว่าปิชาแต่ในทางปฏิบัติในทางศึกษานั้นไม่ควรจะไปติดในรูปแบบว่าต้องเรียกอย่างนี้ถูกตีระบางครั้งทรงชชยคําว่าตัหาจ เ, เนติปริสังตัหาอย่างชนให้เกิดขึ้น ก็แสดงว่าตัณหาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นเป็นปัจจัยเกิดปัญญาปัญญาณกิเป็นปัจจัยเกิดนามารูปมรรยอยกันสังขารกับวิชาที่จริงก็เป็นอย่างเดียวกันเมื่อถ้าเราเรียกแล้วเราจะเห็นว่ า, าวิชานั้นเป็นตัวรากแสดงอาการมีการกำหนดอารมณ์ขึ้นมาโดยพื้นพื้ น, พ, นพื้นฐานที่เป็นความคิดแนววิชานั้น เป็นตัวการผลักดันให้เกิดตัณหาก็คือความเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้แน่นอนความไข้ความปรารถนาความพอใจที่มีการปล่อยคว้ากันด้วยประการต่างๆนั้นไม่ว่าจะเป็นความเป็นหรือความมีคนไม่ค่อยคิดว่าสิ่งนั้นที่จริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจะเอาไปไหนนักหนาวเดียวมันเคยหน้าผุพังไปหมด แต่เพราะมิชชาปิดบังเอาไว้ทาให้ความอยากไม่ได้มีทิศทางมันออกมาในรูปของการมัตนาภาวะัตนาพอได้มาแล้วมันก็มีอุปาทานคือยึดติดโดยหน้าของความใคร่ก็เรียกว่ากามุปาทานยึดติดด้วยหน้าของความเห็นก็เรียกว่าจิตุปาทานยึดติดด้วยความมืดบอด ก็กลายเป็นเรื่องอวิชชาพ ร, ระนุปาทานจึงมีเป็นการมุปาทานที่ตุปาทานโอศีละประตุปาทานที่จริงก็คือตัวอวิชชาเป็นความงงง่ายเป็นความราเหตุผลก็ไปยึดติดในตัวที่ราเหตุผลดอกนั้นไม่ยอมขยับก็เยืดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพระอุปสครคในการพัฒนาต่างๆในโลกนั้นผึงสังเกตว่าคนไปยึดติด อยู่ในสิ่งเหล่านั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แหละก็ไม่ยอมกันไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ศึกษาอุบายวิธีที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแม้ในสมัยพุทธการเองก็เป็นอย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่คนระดับพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกก็มีคณาจารย์เจ้าาที่ต่างๆเป็นอันมากก็มีความรู้สึกว่าที่ท่านเป็นอยังมันดีแล้วก็ไยึดติดอยู่ด้วยอํานาจของทิฏฐปาทาน และศีลรับปตูปาทานบางคนนั้นอาจจะรู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็เสียดายลาภผลสักการะชื่อเสียงต่างๆบริษัทบริวารที่ห้อมลอ้อมตนเองอยู่เป็นคนประเภทที่ยอมหักไม่ยอกงออยางท่านสัญชัยปริภาชคนั้น เ, เห็ได้อย่างชัดเจนว่าในส่วนของศีลัะตูปาทานกับอัตวาปรตูปาทานนั้นกับ ที่ถุกปาทานนั้นที่จริงก็คงมีไม่มากเท่าไรแต่ปัญหาใหญ่บรรยุทธิกามุปาทานคือยึดถือดลหนาจของความใคร่ในบริษัทบริวารในลาบสกัลรัชื่อเสียงในความเป็นคณาจารย์เจ้าลัชชีในความใหญ่โตของท่านมันก็กลายเป็นอัตวาทุปาทานกับกาโมปาทานท่านยอมรับสถานะของพระพุทธเจ้าทุกอย่าง เป็นาศาสดาสู้ดีสู้ชอบดูปรุงเองก็ยอมรับรู้แต่สามารถสอนคนอน้นหลุดพน้นจากความทุกข์ก็ยอมรับหมดแตเสียนิดเดียวที่ท่านไม่ยอมทิ้งไปเพราะว่าสถานะที่เคยใหญ่ของท่านนั้นท่านกลัวจะเล็กลงให้เราสังเกตว่าท่านมองสถานะนั้นเป็นความเชี่ยงแท้แน่นอนไม่แปรผันถ้าท่านมองเห็นว่าสิ่งนั้นไร้สาระไม่ได้เที่ยงแท้อะไรไม่ยั่งยืนอะไรไม่มั่นคงอะไร เป็นเรื่องสมมติบัญญัติกันขึ้นยศศัก์บริวารทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องสมมติที่ไปแปะเข้าไม่เท่าไหร่มันก็เสื่อมชีวิตเราก็จบลงที่ความตายต้องทิ้งสิ่งที่เราได้ที่เรามีที่เราเป็นทั้งหมดเอาไว้ในโลกนี้ให้คนอื่นก็ยื้อแย่งกันเข้าครอบครองต่อไปแต่ความคิดก็ตัดสินใจทั้งก็ยึดติดโดยเข้าใจลึกๆนั้นคือเข้าใจว่าเป็นของเทียงแท้ นี่คือประเด็นหลักที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสารพัดขึ้นมาในชีวิตของบุคคลเแกลองสังเกตว่าถ้าเรารู้ว่ามันจะแตกดับเราไม่คว้าเข้ามาเช่นสมมุติว่าของที่เขาส่งมาให้แกมันกำลังจะบูดเราก็ไม่รับมาไม่ได้จะเอาทําอะไรนั้นเพราะอะไรเพราะเรารู้เท่าทันว่าแกงมันจะบูด วางไว้หน่อยเดียวเรากิดกิจไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะรับไปทําอะไรหรือผลไม้ที่กําลังเน่าเราก็ไม่รับหมายความว่าไงในจุดนั้นในขณะนั้นปัญญาเกิดรู้เท่าทันก่าผลไม้มันเน่าก็มีความแตกต่างมีความเสื่อมไปก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เราก็ไม่รับสิ่งเหล่านั้นเข้ามา ลักษณะของอารมณ์ทั้งหลายคือสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายก็เป็นเช่นนั้นคือถ้าคนก็เข้าใจมองโดยความโดยปัญญารู้เท่าทันถึงความเป็นจริงแล้วอย่าหน้อยก็จะลดลากปลอดกลายควบุมทิศทางของการสแสวงหาให้อยู่ในกรอบในความเหมาะความควรเท่าที่จําเป็นจะต้องมีต้องใช้ วันนั้นมองความคิดของท่านสัญชัยกับความคิดระดับของคนที่มีวาสนาปริมีสูงกว่านั้นท่านสัญชัยนั้นท่านเสียดายลาบผลที่จริงลาบผลนั้นยังไม่ได้มาได้ทาไปคือคนอื่นจะนํามาให้ท่านท่านเสียดายลาบผลหลดนั้นที่ท่านจะได้บริวารที่ท่านจะได้ยศศักดิ์ชื่อเสียงที่ท่านจะได้ พระนั้นก็อนุญาตให้ลูกศิษย์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้ง250คนโดยท่านอยู่กับลูกศิษย์อีก250คนไม่ยอมทิ้งจากไปทั้งๆที่อายุทั้งกบมากแล้วอยู่ก็ได้ไม่กี่วันแล้วลาผลขัง่านก็ไม่แน่ว่าจะอยู่ยั่งยืนกับท่านมากน้อยแค่ไหนเพียงไรที้ามองกลับมาอีกท่านหนึ่งคือพระธรรมทินาเทตรีเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทรัพย์สมบัติของพระธรรมทินาเทตรี หรือมีพระเทรซาเป็นนั้นมากเขียนพระสูตรชินก็ดีพระสูตรสมุทรก็ดีเป็นเศรษฐีมหาศาลที่มีทรัพย์สมบัติมากมายได้เกิดเราเป็นลูกโทนคนเดียวของพ่อแม่ซึ่งแน่นอนว่าท่านต้องได้รับทรบัพย์สมบัติเหล่านั้นแต่ทำไมพระธรรมทิศนาเทรรจึงมองเหมือนกับวิสาขาอุบาสกผู้เป็นสามีโถมน้ำลายรสศีรษะท่าน คือตอนวิสา ข, า บ, าสขบูรุษบรรลุมผลเป็นพระนาคามีนั้นพระนาคามีท่นละกรรมาราคะได้ละปฏิฆะได้แม้จะอยู่ครอบครองเรือนแต่ท่านก็ไม่ได้ยึดติดในทรัพย์สมบัติอะไรแต่ก็บริโภคใช้สอยเท่าที่ท่านจำเป็นจะต้องบริโภคใช้สอยการประกอบอาชีพทุกชนิดท่านก็เลิกจึงมอบหมายทุกอย่างการงานทุกอย่างทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้แก่ปัญญาคือทางนางธรรมิตนา ซึ่งก็ได้จริงถ้าเทียบกับของท่านสัญชัยปริภาชกแล้วห่างไกลกันมากของสัญชัยนั้นยังไม่มีแต่ท่านคาดหวังว่าจะมีแต่ของนางธรรมธินนานั้นมีอยู่แล้วครอบครองอยู่แล้วใช้สอยได้ทันทีทันใจแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติที่ใช้จ่ายกันไม่หวาดไม่ไหวด้วยนางกลับมองเป็นก้อนน้ำลายที่สามีถมรดศีรษะนางจึงตำหนิวิสาขาประส การที่มอบหมายทรัพย์สมบัติให้ในลักษณะนั้นเมืองก็โขบน้ําลายรสจีสะนัานแต่ต้องการให้จริงๆก็ให้นางบวชสินั่นคือความคิดติดตัณหามันจางลงไปอุปาทานมันจางลงไปหมายความมันยังไงหมายความอาวิชชามันเบาลงไปจึงเข้าใจสิ่งเหล่านั้นว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลนั้นมันไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนอะไร และความคิดแนวนี้เองที่จริงก็เป็นการมองจากมุมเดียวกันเพียงแต่ว่าพื้นฐานในการมองวัสนารมบารมีในการมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเห็นที่เป็นสัจธรทิ่ถืคือเข้าใจว่าสีิส่งนั้นเที่ยงแท้แน่นอนมั่นคงยั่งยืนไม่แปรผันเนี่ยมันถูกลดความยึดติดเหล่านั้นลงไปให้ยอมรับความจริงในได้หลายเรื่อง แม้แต่พระโพธิสัตว์ของเราในสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลให้ลองสังเกตว่าท่านจะไม่ยึดติดในเรื่องเหล่านี้อย่างพระเวสสันดรก็ดีพระเตมีโพธิสัตว์ก็ดีหรือพระโมคคถโพธิสัตว์ต่างๆที่เคยศึกษามาท่านมีลักษณะของท่านอย่างงั้นหมายความว่าวิชาของท่านนั้นจางลงไปทําให้ไม่ใชาทิฏฐิอย่างนั้นไม่ใชาทิฏฐิอย่างนั้นมันเป็นโมฆะ เป็นความหลงเมื่อวิชามันลดก็แสดงมันแสงสว่างมันเพิ่มขึ้นทําให้ตันหามันลดแล้วก็อุปาทานมันลดเพิ่นความคิดของท่านสุมเมธตดาบุตรเพิ่นก็เหมือนกับความคิดของพระนางธรรมิตของพระธรรมตินาณฑ ร, รีของพระเทระเป็นนันมากเลจนถึงกพระมหากษาัตริย์บางรูปบางองค์ที่ส ล, ลาราชสมบัติออกบุต บอกน่านสมบัติเป็นเรื่องน่ากลัวย่งหรือรือรอย่างพระเตมีโพธิสัตว์บอกสมบัติเป็นของน่ากลัวที่จริงสมบัติเหล่านั้นก็คือการมากุลคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลพระ ท, ที่ตนกําหนดที่เป็นที่เป็นที่รักใคร่กำหนัดพอใจของบุคคลทั้งหลายท่านสมเด็าบทท่านก็มองอย่างนั้นทสามสมบัติที่เขานามาเสนอนั้นที่จริงทยอยมาตั้งแต่ปู่ทวด ปูท่ทวดมาปู่มาพ่อสามช่วบุรุษเก็บสะสมทรัพย์สมบัติลงมาในะกูลนี้มีลูกทนทุกยุค ท, ท, ทุกช่วงคนทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็หลั่งไหลกันมาอยู่ที่ท่านคนเดียวถ้าคิดแบบสามัญธรรมดาก็คงสนุกแม้จะไปเที่ยวสนุกสนานท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆก็จ่ายไม่วไหวแต่ท่านกลับเกิดสลดใจสงสารบรรพชน ผู้สาสะสมทรัพย์สมบัติโดยอยากเหงื่อแรงงานเป็นอันมากแล้วผลสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้เอาไปไม่ใช่มาเอาไปเฉยๆยังสร้างภาระแก่คนอื่นอีกด้วยเพราะท่านจะเอาไปแต่ว่าเอาไปเป็นชิ้นเป็นอันก็ไม่ได้ก็าจะการบริจาค่านถวายให้แก่บ้านเมืองสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้แจกแก่แก่ค่าทานปริวัตรแล้วตัวเองก็ออกไปบวช มันเป็นพจนเป็นดาบทนั้นคือความคิดของคนที่มีจุดเริ่มต้นจะเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งก็หมายความว่ามองวัตถุกรรมนั่นเองแต่ตัณหามันลดไปเพราะวิชามันลดทําให้อุปาทานเองมันลดมีการยึดติดแต่ว่ายึดติดในความดีก็จำลองคล้ายๆกับเปลี่ยนรถมันทิ้งรถคันหนึ่งแล้วไปขึ้นถรถอีกคันหนึ่งก็เปลี่ยนไปเรื่อยเกว่าถึงกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ตัญหาในการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะจึงเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันของบุคคลให้บุคคลเห็นตัณหาเห็นอุปาทานเห็นอาวิชชาอยู่ภายในใจเราวันลดละจางคลายลงไปบ้างไหมตัณหานั้นมีความรุนแรงจนสามารถควบคุมทิศทางได้ไหมแล้วถ้าอยากลงไปแล้วเนี่ยก็ตั้งใจถามตัวเอง อยากอะไรอยากได้ไปเพื่ออะไรอยากได้อยากไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรประโยชน์บางทีมันก็แปร ى, เพิงสังเกตว่าในระดับศีลธรรมจัน ญ, ญานั้นพระพุทธเจ้าสอนให้แปร ى, หรือไม่จะถึงก็สอนให้ละเพราะยังละไม่ได้แต่ก็มีตัวเสนอที่ประเนี่ขึ้นไปยิ่งกว่านั้นหมายความว่าเรายังมีภาวะตัณหายังมีภวะทิตจิยังมีอุปาทานเรียบร้อย แต่มันก็จางๆลงไปก็อยู่ในทิศทางที่เราคุมได้นั้นคําสอนแนวทานนั้นที่จริงแล้วเราก็เข้าใจว่าของนั้นเที่ยงแท้แน่นอนแต่มีความรู้สึกว่าถ้าทำอย่างนี้อายุมันอายุการใช้มันจะยั่งยืนกว่าแล้วก็แปลสภาพไปเป็นทานเพราะเลยประทับสมบัติที่เราใช้สอนบริโภคในชาติชาติปัจจุบันนั้นต่อไปคนอื่นก็ยื้อแย่งกันแต่ถ้า แปรสภาพเป็นทานอย่างแนวความคิดของท่านสุมเมตาบทมันเป็นอนุกรรมไม่นีคือติดตามเราไปได้ที่ต้องใช้คําว่าเป็นสเสบียงเลี้ยงตนในสัมปราคภเพาภยภาคหน้าได้อาจจะตีตามบุคคลไปข้างหลังข้างหลังกับทยิงก็อยู่กับที่ใจคนเน่ยมันก็ติดอยู่ที่ใจคนเป็นเป็นคุณภาพของใจจะทำภพบชาติของบุคคลให้มีความประนีตมากจิ่งขึ้น มันเวลาทรงแส ด, แดงวางธรรมะจะเริ่มที่ทานทานนั้นที่จริงก็คือลดตันหาที่จริงก็ไปมีตันหาในสุขซึ่งประณีตมากกว่านั้นเรียกอาศัยตันหาเพระตันหาหมายความมาละตันหาหยาบๆยาไปยึดเอาตันหาที่ละเอียดกว่านั้นซึ่งในตอนตอน้ตนๆมันก็ยังเป็นปัญหานั่นแหละ คำสอนระดับวัตกามีกุศลทั้งหมดที่จริงแล้วคนยังมีตันหาเป็นพลังขับเคลื่อนให้คนขยับภูมิจิตภูมิธรรมภูมิรู้ของตในได้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นจนถึงเข้าพบเข้าสู่พบที่ประณีตมากยิ่งขึ้นเป็นการมาพบก็มีความประณีตขึ้นไปโดยลาดับเพราะผลที่เป็นพบที่จริงมันเกิดขึ้นจากภูมิของจิต ภูมิของจิตซึ่งมีอวิชชาจางลงไปตันหาจางลงไปอุปาทานอุปทานก็ต้องจางคือถ้าตันหาจางและอุปาทานจางให้เราสังเกตว่าความอยากในเรื่องอะไรก็ตามเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วเราไม่กำนัดเพลิดเพลินชื่ น, น, นชมยินดีในสิ่งเหล่า น, นั้นมากเกินไปติดตามว่าใครเกิดมาขอในขณะนั้นแล้วก็ให้ไปได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะอุปทานมันไม่แน่น เนื่องจากอะไรเนื่องจากตัณหามันไม่มากทําไมมากเพราะอาวิชามันไม่แรงคนนี้เลยก็ทยอยเก็บมาเป็นแถวไว้ให้เราสังเกตประของบางอย่างเรารับมาใหม่ใม่มาแจกอุตรุษไปหม ด, ดมาแจกให้คนอื่นได้ง่ายๆแต่บางอย่างนี่ปกปิดซ่อนเร้นแต่เราวิเคราะห์ว่าตัวนั้นเราให้คุณค่าแก่อย่างไงก็แสดงว่าเรายอมรับคุณค่าแก่มากแสดงว่าตัณหามันมากเพราะตัณหา ม, มากอุปาทานมาก อุปทานมากจนกลัวคนอื่นจะมายื้อแย่งจะมาประสบพบเห็นต้องซ่อนเอาไว้ต้องปกปิดเอาไว้นั่นก็คือความเคลื่อนไหวปฏิกิยาของจิตที่อวิชาตาหนาอุปาทานวิชาตาหนาวอุปทานก่อให้เกิดเป็นกรรมขึ้นมาในลักษณะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความยิ่งความหย่อนความมากความน้อยของกระแสกิเลสเห่านั้นเพราะนั้นเวลาทรงแสดงในแนวของ อนุบุปภิเกษาที่ใช้คำว่าปรุรานุศาสนีคือธรรมะที่ทรงแสดงมากจริงๆไม่ได้หมดตัณหาคืแสดงเรื่องทานกษาเสร็จแล้วก็อนิสงค์ของทานก็จะเห็นว่าอนิสง์ของทานนั้นเริ่มมีความประณีตขึ้นไม่รุงรังไม่มากมายกายกองแบบวัตรสิงคองต่างๆ กูให้ย่อมเป็นที่รักของคนเป็นนั้นมากสัตบุรุษควบหาสมาคมกบุคคลนั้นเกียรติคุณนันดีงามมันเขาย่อยมพุ่งกระจรไปนะครับไปในสมาคมใดมีความบงอาจกราหารันไม่ขั้นคลามคำเกรงในสมาคมนั้นไม่หลงตายตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติเราก็เห็นว่าทิพยสุขซึ่งก็ที่จริงก็เป็นกาม่มันเป็นทิพมีรูปเลิศมีเสียงเลิศมีกลิ่นเลิศมีรสเลดิดมีสัมผัสเลดิดมีอารมณ์เลดิดมันก็เป็นกาเมคุณ แต่เป็นกามกคุณที่ประณีตมีอายุการใช้นานกว่าสามารถสวยสุขโดยอาศัยกามาคุณนั้นแหละมีตนาน้าวปาทานเรียบร้อยแต่ก็ปกคลุมไว้ได้คนก็ไปคว้าไปยึดไปติดที่สวรรค์และในสวรรค์ น, นั่นเองก็ซอยขึ้นไปเรื่เปลี่ยนว่าสวรรค์ที่คุณยึดอยู่อีกที่จริงมันมีดีกว่านั้นประกอบตัวนี้บอกยังมีดีกว่านั้นประกอบตัวนี้ก็ยังมีดีกว่านั้น ก็ทำนองคล้ายๆกับการศึกษาที่ไปจบเป็นตอนๆเดี๋ยวก็มีการแนะนวบอกว่ายังมีวิชาการที่ดีกว่านั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นจะได้สถานะของทางสังคมสูงกว่านั้นจะได้เงินเดือนมากกว่านั้นตำแหน่งชั้นยดก็จะดีกว่านั้นที่จริงมันก็เป็นการปลูกตัญหา ก็ให้เกิดการไ่อยควา้าปรารถนาแล้วก็มีอุปาทานอยู่พอสมควรแต่รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักยึดรู้จักวางคือไม่ไปเกาะติดอยู่ในชั้นต่างๆที่ตนสอบได้แต่ก็ไม่ยอมยขยับกรยืดไม่ยอมเลื่อนไปไหนนั่นกค็คือกระแสของกิเลส ท, ที่แกทยอยกันอยู่ภายในใจจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่อยไป เรียกว่าสักขะถาพันนาสวรรค์ยศ ย, ย้อยยศย้อยสวยงามมีวิมานมีเครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆน่าประการแล้วจนถึงกับชั้นปรินิมิตวตสวัสดีนั้นแม้จะนิรมิตก็ไม่ต้องนิรมิตคนอื่นเขารู้ความคิดแล้วนะินนมิตมาให้เสร็จเลยไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามอะไรก็ดูแล้วก็สบายส่วนสวรรค์ชั้นที่6นั้นชั้นชั้นที่ห้านั้นต้องนิรมิต เกณิมะนิมานระดีคือต้องการอะไราเอาปรนินิมิตเอาแต่พอถึงชั้นปรินิมิตวัสดิบสวัสดีนั้นคนอื่นก็นิรมิตให้แล้วก็จริงคือวัตถุกรรมแต่อย่าให้ลองสังเกตว่าตัววัตถุมันประณีตขึ้นตัณหาเราก็ลดความรุนแรงลงไปแม้จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาสของเทวดาอยู่บ้างแต่ก็ปรากฏว่าก็มีอยู่ไม่กี่เรื่อง ทะเลาะ ก, กันก็ไม่แรงอะไรในสุดขาเรื่องยุติยังไปได้จากนั้นก็ทรงสแสดงเป็นพรหมเป็นภูมิของจิตเป็นพบของจิตตั้งอีกสิบหระดับด้วยกันเราก็ยังเป็นอรูปฌานอีก ท, ที่จริงพวกเหล่านี้เป็นวัตถุกรรมทั้งนั้นความเห็นว่าเที่ยงก็มีแต่ว่ายังอึดเที่ยกว่าอย่างอึด ย, ยังยงืนกว่ายัางอึดยังยงืนกว่ายังอึดยั่งยืนกว่ามันขึ้นไปเรื่อย ถ้าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็มาขมวดผม่ไปเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ว่ากามที่เป็นทิพย์หรือกามเป็นของมนุษย์ก็าตามมันมีโทษทั้งนั้นมีโทษในการเพิ่มตันหามีโทษในการเพิ่มอุปาทานสร้างปัญหาในด้านสุขภาพจิตให้บงังเกิดขึ้นแก่ บ, บคุคคลพอชี้แจงโทษทุกแง่ทุกมุมชัดเจนแะ ก็จะแสดงให้เห็นว่าทางออกมันมีทางออกที่จะหลุดรอดจากความทุกข์เหล่านั้นก็คือเนขบานิสุงได้แก่อเนิสงของการออกจากการเพราะเวลาท่านเรียนท่านก็เรียนว่าทา น, น, นกถากถาว่าดยทานศีลกถากถาว่าด้วยศีเมื่อทานกระศีลก็เป็นเหตุที่จะให้เกิดเป็นสวรรค์ ในสวรรค์นั่นเองเป็นตัวเหตุที่จะให้เกิดการมองตามแนวของไตรลักษณ์พอถึงสวรรค์ก็เถอะมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเหมือนกันพ็ทำให้บุคคนมองเห็นโทษของความสุขแม้จะเป็นทิพย์ก็ตามตรางพระเจ้าจึงรับสั่งแก่พุทธบริษัททั้งหลายว่า สู่เจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดยราชรถที่พวกคนเขาคล้องอยู่เดี๋ยวพวกผู้รู้ไม่คล้องดโดยยกราชรถตน์คถือว่าสวยที่สุดในสมัยนั้นที่พอจะชี้ได้แต่ราชรถเองมันก็ต้องเข้าถึงความคร่าคร่าพราะเริแตกสลายไปเริ่มต้นจากการไม่เป็นราชรถไม่มีราชรถตนแล้วเกิดเป็นราชรถเกิดมีราชรถราชรถก็เสื่อมไปแล้วก็แตกทํำลายไปก็กลาย ดินก็ไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําลมไปสู่ลมฝ่ายไปไปสู่ฝ่าเป็นวงจรที่เป็นอยู่อย่างนี้เพราะพอถึงจุดหนึ่งเมื่อท่านเกิดรู้เท่าทันทังความเป็นจริงแล้วแสดงว่าอาวิชานั้นเสียการส่งตัววิชาเข้าคุบคุมไว้คือไม่ถึงกับหมดหรอกแต่วิชาก็าคุมไม่ทําให้ตันหาก็ถูกคุมจิตทางได้ อุปทานก็มีแต่ถูกรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักยึดอะไรควรยึดอะไรควรปล่อยขนาดไหนควรยึดขนาดไหนควรปล่อยปัญญาพิจารณาสดสองไม่ใช่ไปยึดอยู่ตลอดรั่วปล่อยปล่อยตลอดในช่วงนี้ยังทำไม่ได้ปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงม็นเกิดขึน้นเวลาเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายเป็นความรู้สัมพันธ์สัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้น ตำนองคล้ายๆเมื่อคืนที่ท่านบางท่านอาจจะเป็นลอยกระทงกันท่านตั้งหลายจะสังเกตดูจิตของท่านว่าเมื่อลอยกระทงไปแล้วนั้นไม่เสียดายในกระทงที่ลอยไปแม้กระทงจะจมเราก็ไม่รู้สึกเสียดายเลยให้ถามใจว่าทาไมเพราะว่าในช่วงนั้นปัญญาเราเกิดเรารับรู้ว่าสิ่งนี้เราทำเพื่อจะลอยมอลอยไปแล้วก็ลอยไปเลย ไม่ได้คิดจะเอากลับคืิดมาต่ความยึดติดที่จะให้อยู่กับเราตลอดไปมันก็ไม่มีเพราะงั้นตัญหามันก็ไม่มาของประทานมันก็ไม่มากทำไปแล้วก็กลับจิตใจมีความสบายทาั้งๆ ท, ที่ของหายไปทั้งอย่นั่นคือตัวการต้องการก็อยู่ที่ใจว่ามีปัญญารู้เท่าทันหรือว่าไม่มีปัญญาที่รู้เท่าทันจุดเปลี่ยนมันจึงอยู่ตรงนี้เอง เราอยู่ในโลกใบเดียวกันแล้วก็สัมผัสอารมณ์อย่างเดียวกันแต่ตัวการตํางการอยู่ที่วิชาการวิชาหรือปัญญากับการไม่มีปัญญาหรือผนความเห็นชอบกับความเห็นผิดเป็นตัวกําหนดทิศทางชีวิตของบุคคลให้เพิ่มกิเลสหรือลดกิเลสเพิ่มความทุกข์หรือว่าลดความทุกข์เพิ่มความสุขหรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่ปัญญาที่รู้ธาตุทันทําความเป็นจริงเวลาเกี่ยวข้องการรู ถ้าว่ามีปัญญาเกิดรู้เท่าทันตามศาสนะของธรรมะเหล่านั้นแล้วเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมผลคือความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่ระรยะบุคคลแก่บัณฑิตทั้งหลายในอดีตตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นต่อแต่นี้ไปกขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป